ประวัติสุดว่าด้วยการพึ่งพาใสา่กันเป็นเดชได้กเกิดความเจริญธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของนามาธรรมแม้แต่ทุกข์สัตย์เองนะฮะที่จริงมันเป็นนามาธรรมอุตึพระพุทธเจ้าทรงชี้กระบอกความ ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ได้พูดถึงคนเกิดคนแก่คนตายนะพูดถึงความเกิดความแก่ความตายแต่สิ่งเหล่านี้ปรากฏในที่ใดมันก็ทําสิ่งเหล่านั้นให้เป็นทุกข์ด้วยกันสิ่งที่เราเห็นจึงก็คืออาการของความทุกข์เป็นการเรียนรู้ถึงอาการที่เราเรียกเรียนรู้ถึงตัวสภาวะมัน กกิเลสทั้งหลายเองก็เป็นนามาธรรมแต่ที่เราเรียนส่วนใหญ่ก็เรียนจากอาการของมันและจากอาการเหล่านี้ทำให้อิงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนมาตลอดแม้แต่ปฐมเทศนาก็ทรงใช้ถนนเป็นเครื่องมือในการสอนอธิตะปริยายสูตรทรงใช้ไฟเป็นเครื่องมือในการสอน และสิ่งที่ทรงใช้มากเนี่ยราจะเห็นว่าเป็นเรื่องปรากฏการณ์ของธรรมชาติเนื่องจากสมัยพุทธ ก, กาลพระเจ้าประทับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำแต่ในถ้ำไม่ค่อยได้เทศแต่ถ้ำมันแค บ, แคบๆส่วนใหญ่จะเป็นป่าซึ่งก็มีคนมาเฝ้ามากๆ จะยังพบธรรมะที่เกี่ยวกับต้นไม้ที่เกี่ยวกับใบไม้เกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับดอกไม้กิ่งไม้อะไรแต่เนนี้เยอะไปหมดเลยชีย้ง่ายอ่ะนะก็นั่งกันอยู่ใกล้ๆดืมโคตไม้นั่นเด็กก็ชี้ที่ต้นไม้เพราะตัดสูตรมีลักษณะอย่างนั้นเป็นการแสดงธรรมะใกล้กับภูเขาขอทรงชี้ให้ดูต้นไม้ที่บนภูเขา ก็แสดงให้เห็นไปลำดับนะวาต้นไม้ที่มีความเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มให้อะไรเริเร่มันให้กิ่งมันให้ใบแล้วก็ต่อมาก็ไปให้กพี่ให้กระเทาะให้เปลือกให้เนื้อให้แกนให้มาโดดลำดับ ในขณะเดียวกันเนี่ยหรือถ้าเรามองไปอีกแนวหนึ่งก็คือว่าเขาต้องช่วยตัวเองเขาได้ก่อนพอจะต้องมีกิ่งใบขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายต้นต้นเขาเจะเริญเติบโตขึ้นรากเองก็แผ่ออกไปแต่ถ้าเราจะเอาใบเอาอะไรเสียตั้งแต่ต้นต้นจนเขาเริ่มออกใบเนี่ยต้นไม้มันก็โตไม่ได้ มันก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งของการทําประโยชน์คือคเราจะต้องทําประโยชน์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นในการต่อมาเป็นการทําเท่าที่เราทําได้เมื่อกระต้นไม้ก็มีใบเท่าที่ให้ได้ไม่ใช่เก็บบทมีกิ่งเท่าที่ให้ได้แต่ไปตัดหมดต้นไม้ก็ตาย เราก็ซ้อนอะไรได้หลายมุมนะฮะแต่ว่าในที่นี้สุงเน้นไปในกรณีของการให้ทีว่าสังคมจะได้จาต้นไม้เนี่ยมันก็ได้มาโดยลำดับตามความเจริญเติบโ ต, ตของต้นไม้ต่อตันในควรที่จะเด็ดใบก็เอาใบาในถึงคราวที่เห็นว่าเอาที่กิ่งได้ก็เอากิก่งเอกก้ก็พีก็กระพีเอาเปลือกเอากระเทาะ ไอ้กระเทาะนี่มันมั น, ม, นมันคงอยู่ระหว่างเปลือกกับเอหนั่นนะนะจะมีบ่อยแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกไงไม่รู้ไอ้คนไทยเรียกตรงไหนก็ไม่ทราบนฮะแต่มันผ่านเปลือกไปแล้วถ้าเรียกกระเทาะในประศูน์นี้ไม่ใช้คําว่าเนื้อไปถึงแกนเลยก็คําว่ากระเทาะก็น่าจะหมายถึงตั้งแต่ผิวไม้ไปออโปกกระพีนะฮะก็หมายถึงเนื้อด้วยนะก็หมายถึงเนื้อ เรากล่าไปถึงแก่แต่รเราเห็นว่าตรงนี้ตัวเองต้องมีซะก่อนนะถึงให้คนอื่นได้จากนั้นก็ทรงแสดงถึงบุคคลเป็นคำแปลกเราไม่เคยได้ยินส่งใช้คำว่ากุลบดีบุคคลเราไม่คุ้นน่ยนะฮะคำนี้เราไม่คุ้นเลย กุลบดีบุคคลก็คือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในตระกุลกุละก็คือสกุลบดีก็คือเป็นใหญ่บุคคลก็คือบุคคลหมายความบุคคลผู้เป็นหลักผู้เป็นใหญ่ในสกุลก็ให้เจริญด้วยเรื่องสามเรื่องในที่นี้ทรงใช้คำว่าสรัทธาศีลและปัญญาเจอบ่อยนะฮะศัทธาศีลมัญญานี่เจอบ่อยที่สุด ตอไม่เจอบ่อยเราพูดเราเรียนกันมานานนะฮะกิเลสเนี่ยที่จริงมันก็มีแค่สามกองเท่านั้นเองวันก่อนมีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งมาหาที่กุฏิเมื่อวานซื้นเ้วนส่วนสืนเกืดเทพทั้งหมดเนี่ยแกเอาไปฟังหมดสามเที่ยวแล้วก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ฟังพันห้าร้อเที่ยวแล้ว ก็มาขอให้อัดเทปใหม่อัดเพิ่มเติมขึ้นโบยังอัดไม่ได้เพราะว่ามันใช้ทุนเยอะนะฮะการอัดเทปเนี่ยแต่อัดขึ้นมาข้ากรองชีเนี่ยก็ไปอเมริกาโคโยงมาถวายสตางค์มาก็เลยอัดได้แต่เขาจะสนับสนุนทลายก็ไม่รู้ว่าแต่จริงเราก็บอกเขาบางกันว่าจริงๆมันก็คือก็คื อ, ก, คอก็คือเรื่องโลกโกลงนะฮะเรื่องธรรมะไม่โลกไม่โกลงไม่โลง แต่มันก็มีแค่นั้นเองอถ้าพูดโดยโดยโดยเนื้อหาแล้วในต่จริงซ้ำนะฮะโดยภาษาก็อาจจะไม่ซ้ำในบางตอนก็ซ้ำในบางตอนเพราะเลยมันเป็นเขามันอย่างนั้นเองอะไม่ใช่ว่าอย่างไงอะสรัทธาศีลปัญญาเราเจอบ่อยที่สุดทำไมล่ะเพราะว่าศรัทธานั้นมีหน้าที่เขาจัดกิเลสได้ทั้งสามกอง เราลองดูนะฮะศรัทธาเนี่ยถึงนิพพานนะศรัทธายาตริติโอกังบุคคลจะข้ามห้งน้ําคือกิเลสได้ก็เพระาะศรัทธาศีเลนะนี่บุติยินติบุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีนปัญญายาปริสุทธิติบุคคลจะบริสุทธิ์ลิ ต, ตดได้ด้ยปัญญาคือทั้งทั้งทั้งสามข้อเนี่ยเปสามข้อนมานส่งกนไปนิพพานหมด แต่ว่าส่งแสดงในรูปของการปฏิบัติธรรมะไปโดยลำดับประการแรกคือเรื่องศรัทธาการน้อมใจเชื่อความเชื่อนั้นพระเจ้าจะไม่สอนเดี่ยวคุณจะเห็นว่ามีสามข้อก็ต้องเอาปัญญามาไวนะ้ครับสนเดี่ยวไม่ได้นะสอนเดี่ยวไม่ได้เพราะว่าศรัทธานั้นมันโอกาสจะงม ง, ง, งายได้ง่ายตัวลักษณะของอธิมโมก ค, คือปักใจน้อมใจเชื่อไป เพาเชื่อมากๆเนี่ยมันจะลักษณะของเกรกโอทิฏุปาทานคือคือเป็นเป็นความถือรันด้วยอำนาจของความเห็นที่จะมันสืบเนื่องมาจากความเชื่อพวกนี้ไม่ยอมไปนะฮะยอมตายไม่ยอมไปเพราะถือว่าสิ่งที่ตัวยึดถืออยู่นั้นถูกต้องแล้วสมัยพุทธกาลเนี่เาเรียกว่าอิดามวัสจังโมคะมันย oh ัง อย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนะแล้วในที่สุดมันมันมันถ้าเกิดมากแล้วคนขอเราเท่านั้นถูกต้องคนอื่นไม่ถูกต้องมันเกิดแบ่งพักแบ่งพวกเป็นลักษณะของที่ถูกปาทานเป็นอุปาทานที่ไปยึดถือเข้าทีนี้พอยึดถือมากๆเนี่ยมันไม่หยุดตรงนั้นมันไปเป็นอัตวาทุปาทานเราเท่านั้นพวกเราเท่านั้นเพื่อนเราเท่านั้นอาจารย์เราเท่านั้นถูกต้องคนอื่นผิดหมด อันตรายเอกลายเป็นความคิดเห็นที่เป็นอันตรายศรัทธาบางครั้งจึงงม ง, งายร้ายเหตุผลไปโยจะมันมองในมุมเดียวนะฮะมองในมุมดีมุมดีมุนเดียวเพราะฉะนั้นว่าศรัทธาจึงมีลักษณะคล้ายๆกับกรมม า, คาครคะคล้ายๆโลภะคล้ายๆตัณหาคือหน้ามืดนะฮะไปเลยอันเนี้ยดีที่สุดสวยที่สุดงามที่สุดถูกต้องที่สุด มีลักษณะทนุถนอมเหมือนกันลักษณะของศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดที่คนก็ทนุถนอมคนปกปักรักษาหวงแขนใครแตะไม่ได้นะฮใครแตะไม่ได้อาจารย์ฆ่าใครอย่าแตะเห็นไหมฮะมันจะเกิดลักษณะอย่างนี้มีการปกปกักคุ้มครองรักษากันเพราะงั้น ท่านจึงสอนให้ศรัทธาได้มีปัญญาเข้ากับไว้ทุกแข่งศรัทธาในปล่อยเดียวไม่ได้แล้วเข้าป่าอะไรอย่างเงนปล่อยเดียวไม่ได้มันจะมีการวิเคราะห์สืบสอบโดยมีปัญญาเข้ามาเทียบเคียงดูเสียก่อนเราจะเห็นว่าแนวทารเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือถ้ารมองแล้วข่าวเนี่ยมันจะไปก่อนข่าวลือลือเนี่ยลือด้วยพุทธคุณในอิติปิโสพรกวาเนี่ยมันก็ลือไป เออเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะว่าอย่างนี้มันก็มาศึกษาดูจริงๆมันมันมันไม่รู้หรอกมันเป็นข่าวเพราะฉะนคนเหล่านั้นต้องการดูว่าจริงหรือเปล่าเป็นพระหันจริงหรือเปล่าสัมมรสัมพุทธจริงหรือเปล่าวิชาเจนะจริงหรือเปล่าสุกโตจริงหรือเปล่ามันก็ดูว่าจริงหรือเปล่าคนเหล่านั้นก็ต้องมาดู เวลามาดูอย่างที่เคยเล่าฝังตอนที่พวกพระเจ้ายพิมพิสารนะคบอกพระเจ้ายพิมพิสารโคตรมากกันครโคตรมากมากฝ้าหลวงพระเจ้าเนี่ยมันมันอิทธิบทไม่เหมือนกัน่ะคนที่เชื่อลวงหน้าไว้ก่อนโดยอาศัยศรัทธาจริตนะก็มีมาถึงก็นั่งเรียบร้อยเลยนะคนบางคนก็ยืนคนบางคนก็บอกว่าฉันเป็นยังงั้นแบเนี้นคือประกาศโดยสารก็แนแม่ประกันนะคบอกโคตรบอกสกุลฉันเป็นกษัตริย์ฉันเป็นพราหมณ์สกุลนั้นสกุลนี้นะเพื่อแสดงว่าฉันใหญ่ เอียบดรสับสนหมดแล้วจิงเทศไม่ได้เพราะนั้นพระเจ้าจึงต้องเปลี่ยนวิธีให้พระอุรุเวลากรสสปะเนี่ยแสดงสถานะของท่านใน้ชัดเจนบอกคนเกิดความสับสนว่าพระเจ้ากับท่านอรุเวลากระสปะนั้นใครเป็นอาจารย์เห็นมหมจริงเขาไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อหรอกต่อเขาใช้ปัญญาพิจารณา พิจารณามันก็พิจารณาไม่พอมั น, ม, นมันต้องอะไรมันช่วยแล้วพระอุร ป, ปรัฏฐากสัพปะเขเริ่มอธิบายให้ฟังตั้งการาบฏบัตของท่านการทรมานร่างกายการบำเพ็ญพจนการย่างตนมลุมถ่านไฟนั้นมันเพิ่มกิเลสและก็เป็นไปเพื่อความทุกข์แล้วก็ประกาศตัวเองเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพรเจ้าเป็นาศาสดาถวายกราบแทบประบาทห้เห็น ในคนทั้งหลายเห็นเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมาจากการเชื่อพระอูรากษาปัจเราอิงอาศัยเราเชื่อเพราะเราอิงอาศัยคล้ายๆกับเรานับถือพุทธเนี่ยที่จริงเราเริ่มโดยการอิงอาศัยพ่อแม่เราไม่รู้เรื่องอะไรพ่อแม่บอกกราบก็กราบไหว้ก็ไหว้ไปวัดก็ไปวัดไหว้พระก็พระทุกข์ก็ุเราไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมแต่บนเชื่อคนที่เราจับหลักได้ เชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เราก็อิงลักษณะก็อิงมาตลอดพอเราก็สะสมประสบการณ์ค่อยๆคิดค่อยๆสัมผัสจึงเอ่เรื่องนี้เรื่องจริงตอนนี้ก็ไม่ต้องอิงอาศัยใครแล้วนะฮะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องเป็นอันมากที่เราสัมผัสได้เราก็คือสัมผัสได้อย่างที่ศรีหเสนาบนดี ตอบคำถามพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าโกรพยะตอบคาถามพระรัฐบาลเสียอาเสนา่าบดีท่านถามมานในส่งของทานนั้นลองสังเกตฮะอันนี้สงทานเนี่ยท่านทั้งหลายไม่ต้องถามใครก็สัมผัสได้อย่างน้อยสามข้อหนึ่งคนให้ทานเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสองคนดีก็ผหานสมาคมคนให้ทานสามคนให้ทานเนี่ย จะเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยกยอมรับยกย่องคนทั้งหลายสี่เข้าไปในสมาคมใดเป็นผู้มีเกียรติมีสถานะมีศักดิ์ศรีในสมาคมนั้นแล้วก่อนจะตายนะไม่หลงตายตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติหกข้อนะส่วนใหญนว่าสีข้อแรกเนี่ยท่านท่านเคยให้ทานมาสม่ำเสมอท่านท่านท่านสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะไม่จาเป็นจะต้องเชื่อใคร ถ้าไม่หลงตายไอ้ไม่หลงตายเนี่ยเรายังไม่ยังไม่ก่อนตายนะเราก็ไม่รู้นะแต่เราอาจจะดูเกี่ยวับพ่อแม่ผู้ย่าทยายเราได้เออพ่อแม่ตายิ้มเลยนะทําไมตัดตายยิ้มเพราะ ว, ว่าก่อนจะตายเนี่ยท่านทําความดีไปเยอะท่านตายยิ้มเลยหน้าตาฟ่องใสมากแต่สุเกสุกติหรือไม่ไม่รู้เลยเห็นไหม น, นี่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเราใช้เชื่อพระพุทธเจ้าอีก อีกแปดสิบเปอร์เซ็นตเรียกว่าข้อละยีสเอร์็นเนี่ยนะคิดว่าข้อละยี่สิเอร์เซ็นเนี่ยเราก็เชื่อสัมผัสตรงของเราทจริงก็ทจริงก็ไม่ถึงเนี่ยนะมันมันมันหกข้ อ, เ, อ, อเราเชื่อสัมผัสตรงของเราเนี่ยอย่างน้อยสี่ข้อได้สี่ข้อแร ก, ก น, นะฮะแต่ข้อที่ห้าเนี่ยเราก็อาศัยการสังเกตเอาข้อที่หกเชื่อพระพุทธเจ้าวล้วน เชื่จ้าล้วนเราเรายังไม่ตายจริงๆก็เคยตายมาเยอะแล้วนะระลึกชาติไม่ได้เราก็เชื่อพระพุทธเจา้าเราก็จับหลักได้ตอนนี้ที่จริงเรามีทั้งศรัทธาเรามีทั้งปัญญาเป็นสัมผัสตรงทีนี้ที่ ร, รัฐบาลตอบ ป, ปัญหากับพระเจ้าโครับพระเจ้าเรื่องความไม่ต่างของคนความไม่ต่างของคนในวันณะทั้งสี่ ไม่ได้มีไม่มีอะไรต่างกันในอย่างน้อยในห้าเรื่องไม่ต่างกันเลยหนึ่งวันหน้าใดมีฐานะบางครั้งร่ารวยวันณะเดียวกันแล้ววันหน้าอื่นจะเข้าเป็นพวกของคนนั้นเศรษฐีบางคนเนี่ยมาจากกุลีลูกน้องเยอะดอกเตอร์ไปเป็นลูกน้องของเศรษฐีที่มีแต่เซ็นชื่อได้ตัวเดียวเองอ่านสือก็ไม่ออกมีแต่เซ็นชื่อได้ตัวเดียวนี่ภาพเราเห็นเยอะสัมผัส สัมัตย์ตรงได้สองวันน้าใดทาผิดผิดกฎหมายบ้านเมืองวันนะนั้นก็ติดคุกเหมือนกันอันนี้เราเห็นเยอะเห็นเศรษฐีติดคุกเห็นนักอาจารย์ติดคุกเห็นบางทีประติดคุกเห็นคนเยอะติดคุกมันไม่ติดคุกเพราะเขาเป็นอะไรแต่ติดคุกเพราะเขาทำอะไรมเป็นสัมปัตย์ที่เราเห็นได้วันน้าใดก็ตามนะฮะ ที่ทำความดีทำธรรมบุญทรรนะมบุญตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติด้วยกันนะทำชั่วก็ตกดลรกด้ดยกันนะฮะทำทำชั่วก็ตกดลรก้วยกันทำดีก็บังเกิดในสุคติด้วยกันแล้ววันหน้าใดที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติดีก็รับความเคารพนับถือจากประชาชนทั้งหลายเหมือนกัน เราจะเห็นว่าท่านท่าน ท, านทานพระเจ้ากุรอปญาติเนี่ยท่านบอกว่าสามข้อเนี่ยสามข้อคือหนึ่งวันน่าใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรนน่เดียวกันหรือวันณะอื่นจะเข้าเป็นพวกเป็นลูกน้องเป็นผู้รับใช้วันนั้นท่านไม่ต้องเชื่อพระตาบานวันณะใดก็ตามที่ทําผิดกฎหมายติดคุกเหมือนกันเนี่ยมันมันมันมันเป็นสมผัติตรงที่เราเห็น แล้ววันหน้าใดที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติดีเป็นที่เคารพนั้นถือสักการะของคนทั้งหลายเนี่ยเราเห็นอีกแต่ว่าทําชั่วจะตกนรกทําดีขึ้นสวรรค์เนี่ยมันจะว่ายางไงเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพตอนนั้นพระเจ้าโกราปยะบอกว่าข่าวว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านว่าอย่างนั้นโยมไม่รู้ว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านว่าอย่างนั้น ตกลงว่าตรงเนี้ยอย่างละยี่สิเปอร์เซ็นจริงหกสิเอร์เซ็นต์นี้สอบผ่านนะฮะเป็นคะแนนผ่านแล้วเราสัมผัสตรงหรือตัวเองอีกสองข้อเชื่อพระอาหารทั้งหลายไม่เสียหายเอาหน้าเชื่อพระอาหารทั้งหลายไม่รู้จะเชื่อใครแล้วถ้าเราไม่เชื่อพระอาหารเราก็ไม่รู้เชื่อใครเพราะฉันลักษณะของศรัทธาเนี่ย ส่วนหนึ่งจึงอิงอาศัยแต่ว่าวัตถุบุคคลที่ควรแกการอาศัยแน่นอนเราไม่ได้ใช้ปัญญาที่ตัวที่ตัวสิ่งที่เราเชื่อหรอกแต่เราใช้ปัญญาที่ตัวคนนี่คือพ่อแม่นี่คือครูบาอาจารย์นี่คือปุญาตายเป็นบุคคลที่ควรเชื่อเรามีปัญญาแล้วไม่ใช่ไม่มีปัญญาเรามีปัญญาแล้วแต่เรามีปัญญาที่ตัวคนที่เราเป็นเหตุเราเชื่อเชื่อคาสอนมาท่านเห็นไหมเราเชื่อคาสอนมาท่านเราไม่ เราไม่รู้เรื่องคําสอนนั้นหรอกแต่เราเชื่อว่า น, นี่คือพ่อแม่สอนเราเชื่อพ่อแม่อย่างที่เคยยก ต, ตัวอย่างมาเหมือนกับเรากินยาหมอสั่งยามาเรากินยาเราก็ไม่รู้ายาบรรษาโรคหายหรือไม่แต่ปัญญาเราพิจารณาที่ตัวหมอปัญญาพิจารณาที่ตัวหมอก็ทําให้เราเชื่อตัวยา ศัทาจึงมีความน้อมใจเชื่อเป็นลันกษณะแต่ถ้าเราเชื่อในวัตถุในบุคคลในเรื่องที่ควรเชื่ออย่าลืมว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นที่จริงแล้วเรามีปัญญาเข้ากำกับอยู่ในจุดนั้นเช่นว่าเราเชื่อประธรรมเนี่ยที่จริงเราอาศัยการเชื่อพระพุทธเจ้ามาก่อนถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราก็ไม่เชื่อในประธรรมก็คล้ายๆกันเราเชื่อในยาเนี่ย ที่จริงมันสืบเมื่อมาจากเราเชื่อในหมอก่อนยาก็เหมือนกับไม่ใช่พระธรรมก็เหมือนกับยานะฮะพรูพเจ้าก็เหมือนกับหมอแต่เทียบเคียงกันมาอย่างนั้นทีนี้ความเชื่อที่บงังเกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าระดับแรกทำหน้านที่ขจัดความไม่เชื่อในสิ่งในสิ่งนั้นโดยอาศัยบุคคล เราอาจจะไม่เชื่อในตัวคำสอนแต่เราเชื่อในตัวผู้คนผู้สอนก็เป็นเหตุเราเชื่อในคำสอนคือเขาจัดความไม่เชื่อในตัวคำสอนนั้นออกไปโดยอาศัยความเชื่อในคนที่สอนนั่นก็ได้อย่างเนี้ยเช่นเช่นมีเรื่องเยอะเราถามอันนั้นจริงอันนั้นจริงเราถามเยอะคนบางคนบอกมาเราไม่เชื่อแต่มีคนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อ สแสดงว่าถ้าเราดูจิตเราเราจะเห็นว่าจริงๆเรายังไม่เชื่อในคํานั้นนะฮะแต่เราเชื่อในคนนั้นทําให้ไอความไม่เชื่อในสิ่งเนี้ย ม, มันลดลงไปก็กลายไปเรียกว่าขาจัดความไม่เชื่อในสิ่งเนียวไปตถึงจุดหนึ่งมันขจัดความเครือบแคลงสงสัยความเครือบแคลงสงสัยนะั้นเป็นอาการของโมหะเป็นลักษณะขุนมัวซ่อมหมองท่านดังท่านหลานึกออกนะฮะ ลักษณะของกิเลสประเภทโมหะที่คืออุปมารเรื่องนิวร์น่ะพวกอุทัจจะกับพวกวิจิกิจฉาเนี่ยอุทัจจะนั้นพระเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับน้ําขุนน้าขุนเนี่ยทำยังไงน้ําขุนหายได้ละ่ะเอาน้ําใสใสลงไปน้ําใสใสลงไปมันก็สลายความควา ม, ความความขุ่นลงไปได้วิจิกิจฉานั้นน้ําที่เหมือนกับโคลนตุมบึบ เป็นครนตรมเลยนะฮะเป็นครนตรมโดยซึ่งซึ่งต้องเพิ่มน้ําเยอะจึงจะไหลายคมโครนตรมนั้นลงไปได้นะะจึงสะไหลได้หรือไม่งั้นก็ทําให้โครนตรมนั้นแห้งไปเลยก็ทําได้สองอย่างเพิ่มน้ําขึ้นไปจนทําให้ไอโครนตรมนั้นกลายเป็นน้ําไปในตรงตรงนั้นหรือไม่งั้นก็ทําให้แห้งไปกลายเป็นดินไปเลยคือใช้ได้ทั้งสองอย่างคือใช้ถ่านน้ํารือใช้ถ่านดินเป็นหลัก เอามันทั้งทั้งอย่างหนึ่งก็ตรงนั้นก็ใช้ได้ใช้ในฐานะเป็นที่เก็บน้ำหรือใช้ในฐานะที่จะเป็นดินเรวก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าถ้าอยากเป็นโครนอยูอคนข้างยุ่งไม่เรียกใช้ทำอะไรเหมือนกันนี่ก็คือลักษณะที่เรียกว่าพอสัทธามันเพิ่มเนี่ยมันเป็นธรรมรังสีขจัดกิเลสออกไปจากใจของเราไปโดยลาดับ พอถึงจนหนึ่งก็เรียกว่าเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อบาป ท, ที่จริงมันมาจากเราเชื่อพระพุทธเจ้าบุญบาปเป็นเรื่องของธรรมะที่จริงเป็นเรื่องผลของธรรมะฝ่ายกุศลก็ฝ่ายอากุศลก็ทําให้เราขจัดโลภะ ด, ด้วยการทําบุญ ด้วยการให้ทานด้วยกับอะไรต่ออะไรที่จริงมันมั น, ม, นมันอาศัยที่เราเชื่อเราเชื่อในผลทานนะครับจนถึง็จัดโทสะศรัทธานั้น็จัดโทสะได้ให้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เราศรัทธานั้นเราจะไม่โกรธนะแล้วคนที่เราศรัทธาถ้าท่านดุถ้าท่านว่าถ้าท่านตักเตือนเรารู้สึกเป็นสุขมากรู้สึกเป็นสุขรู้สึกประปรืมดีใจนะ คนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตาตัวท่นานด่าท่านท่านอะไรเรารู้สึกชื่นใจรู้สึกเป็นสุขไม่ เ, เป็นความ ร, รู้สึกที่แปลกเพราะเพรา ะ, เพราะเราศรัทธาท่านแต่ต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องศรัทธานะฮะถ้าไม่ศรัทธาไม่ได้ถ้าไม่ศรัทธาจะโกรธทันทีเลยคำคำเดียวกันนะถ้าคนที่เราศรัทธาดา่าเนี่ยเราจะเป็นสุขนะนั่นแสดงให้เห็นว่าศรัทธาเขาจะโทสะได้ด้วย ผลศรัทธาตั้งมั่นจึงให้เกิดประโยชน์มันเป็นฐานรองรับทุกๆเรื่องศรัทธาจึงมีลักษณะคล้ายๆกับหลาละเข็มนะฮะเข็มเข็มที่ตอกลงไปแล้วถ้ามั่นคงแล้วอะไรก็วางลงบนนั้นได้เห็นว่าคนเราถศรัทธามั่นคงเนี่ยฮะมันมันวินิจฉัยได้วินิจฉัยได้ในกรณียกยกตัวอย่างกรณีที่กำลับบงดังอย่างนี่ยนะะ มันกน็ไมีนั่งซื้อพิมพ์มาคุยก็มาคุยกับมาสองคนนั่งซื้อพิม์ใหญ่นะครับมันมันคล้ายๆกับะทะ้พระผิดคนเดียวแล้วพระทั้งประเทศมันเหลวหมดตอนี้แสดงว่าชาวพูทเรายังไม่เข้าใจสังกัคุณนะ่ะมันต้องเข้าใจสังกัคุณนะสั่งกับคุณมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราพูดถึงพระเราต้องนึกว่าสังกัคุณคืออะไรแต่เราไม่เข้าใจสั่งคุณราเป๋หมดเสังกัคุณนั้นสี่ข้อเนี่ยนะ สีข้อเนี่ยเป็นเหตุที้เกิดห้าข้อหลักเราต้องเห็นว่าท่านมีสี่ข้อนี้ท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสม um, ควรเราจึงถือว่าท่านเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของรดนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทรรมัญจรีแล้วก็ถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าท่านไม่มีสี่ข้อแรกมันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีคุณสมบัติสีส่ข้อหลักซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ย อยสมมติว่าพระเราไปทําอะไรผิดอย่างที่เขาลืออย่าที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยไปทําที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ไม่เดือดร้อนอะไร เ, เพราะอะไรเพราะเขาไม่นับถือเขาไม่นับถือพระก็ไม่นับถือพระและพระในความรู้สึกข อ, ของเขาก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรพระฝรั่งมีการบัวแต่เด็ามีครบครัวได้เนาย ไ, ไอ้นี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจสังการคุณคนเรานั้นรับผิดชอบกรรมของตัวเอง ในกรณีที่ที่ที่นอกวิสัยของเรานะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราอย่าไปเพิ่มบาปวิธีพพุทธเนี่ยเขาไม่คิดในลักษณะเพิ่มบาปเนนช่นคนอื่นเขาทาชั่วเราไปด่าเขาเนี่ด่าทําไมคนอื่นเขาฆ่าคนตายแล้วเราไปรด่าเขาเขาก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งเราผิดศีลข้อที่สี่ผิดศีลห้าด้วยกันเนี่ยนะผิดศีลห้าด้วยกัน ดีกว่ามันก็พอพอกันนะ่ยนะพอพอกัน่ะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องคนเลวคนเลวนะฮะคนเลวก็คือหนึ่งคนที่เรื่องเกินคนอื่นแล้วไม่ขอกรมาสองคนที่เพื่อนขอกรมาแล้วไม่ให้อภัยผามาใครเร็วกว่าก็เลวพอๆกันเห็นไหมเร็วพอๆกันมันจับจับคู่คนดีหนึ่งคนที่ ล่วงเกินคนอื่นแล้วก็ขอเข้ามาสองเพื่อนขอเข้ามาแล้วให้อภัยนี้ยก็สงแสดงลักษณะของทานกับบัณฑิตคนผานคือการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตัวเองเป็นลักษณะจะดูโทษตัวเองเพราะลักษณะของบัณฑิตเนี่ยจะไม่พูดโทษความชั่วของคนอื่น ถ้าจําเป็นต้องพูดพูดนี้เด็กพูดเท่าที่จําเป็นต้องพูดแต่ถ้าความดีกว่าอื่นพูดเดยอะเลยนั่นคือลักษณะบัณฑิตไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าไม่โปรยปลา ย, ลายโทษของคนอื่นแต่ถ้าโทษของตัวเองสารภาพรับเป็นว่าพระกําหนดให้แสดงอบัตรแสดงอบัตผมทําผิดอย่างนั้นอย่างนั้นสารสารภาพความดีไม่บอกห้ามบอกบอกประชิก เห็นไหมฮะบอกอวตาริมนุษยธรรมเป็นประราชิกเลยความดีตัวเองห้ามห้ามพูดพูดไม่ได้ความดีคนอื่นพูดความชั่วตนเองพูดความดีของคนอความชั่วคนอื่นห้ามพูดนั่นคือลักษณะผ่านกับบัณฑิตบัณฑิตแพ่งโทษตัวเองเป็นลักษณะตรวจสอบตัวเองแก้ไขตัวเองโทษตัวเองเนี่ยถ้าเราเห็นเราแก้ได้โทษคนอื่นมันแก้ไม่ได้มันโทษของเขาอะ เราก็ทำได้แค่เมตตาแค่พูดแค่บอกกล่าวท้งนั้นเเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเดือดร้อนเพราะจริงๆถ้าเขาทำดีเขาก็ได้ดีเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วเราทำดีเราก็ได้ดีเราทำชั่วเราก็ได้ชั่วมันเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะต่างคนต่างรับไิชอบในกรรมของตัวเองนี่คือศรัทธาที่ที่ ท, ที่ที่มันจะมีปัญญาฆ่ากรรมกับแล้วก็ปลอดภัยด้วยประกาศังปวง เพาแนวแนวที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยนะครับทำยังไงว่าชาวพุทเราจะเข้าใจแนวตรงนี้จะประเด็นตรงนี้ให้ได้ว่าวิธีการของพุทธเนี่ยเป็นวิธีการที่บริสุทธิ์มากเราจะเห็นว่าศาสน า, า, าพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สอนให้ใครทําลายแท่นบูชาทําลายรูปวรมรดไม่ได้สอนทําไมไม่สอนละ่ะเพราะแท่นบูชานั้นคือทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินที่มีราคา เราไปทำลายนะี่คือทำลายทรัพย์สินเขาผิดกฎหมายนะฮนะน่ะฮะผิดกฎหมายใชาคนอื่นทำลายก็ผิดกฎหมายผิดศีลไม่ผิดศีลเป็นนทินาทานไม่เป็นนตินาทานผู้เจ้าสอนให้ทำอธินาทานไม่ได้มันคือละเมิดระไมในศาสดาเราบริสุทธิ์จริงๆนะฮะบริสุทธิ์จริงๆไม่มีคำสอนในะลักษณะ น, นี้แ ต, แต่แต่ผู้เจ้าเจ้าจะสอนโดยกกยกจิตเขาขึ้นมาเฉยๆยกจิตเขานีสิ่งเหล่านนะั้นสิ่งเล่านั้นยังมีอยู่เล่ายังมีอยู่ ไปบอกไทุบเหล้าแต่ว่าไปทําไมไม่ไม่ได้เหล้าคิดหลายบาทนะกุเนี๋ยวจะสอนในคนไม่ไม่ดื่มเหล้าเองเหล้าก็คงว่า ง, างนั้นเองไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีไม่มีอะไรกับใครเลยเหล้าก็คงอยู่ตรงนั้นแต่ว่าใจคนไม่อยากจะดื่มคือจะแก้ที่ใจจะแก้ที่ใจแล้วพอเอาไปจริงก็ใจใครก็ใจคนนั้นคือแก้ที่ใจ ใหญ่ตัวเองเพราะการเพิ่มตัวนี้ก็คือเพิ่มศรัทธาที่ใจเราไม่ใช่เพิ่มที่คนอื่นตอนแรกเราต้องเพิ่มที่เราให้ได้เพื่อเราก็เหมือนต้นไมท้ที่ท่งบุกมาหมายมความว่าต้องมีดอกมีใบมีผลด้วยตัวเองไปก่อนแล้วจึงจะให้คนอื่นไม่ใช่ให้โดยเราไม่มีให้มันเราต้องมีเสียก่อนเราจึงฉันให้ได้สรัาทาก็เหมือนกันก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ ที่ตัวบุคคลแต่ละคนสงใช้คาดีนะกุลระบดีบุคคลบุคคลที่เป็นใหญ่ในครอบครัวในสกุลต้องไปที่พึ่งคนอีกได้นานๆเจอคาคําแบบนี้นานๆเจอเป็นคําเรียกคือหมายความมาพูดพูดพูดท่านท่านหลายคนนึกออกคาหนึ่งที่เราเคยได้ยินกุนะลเชษฐากุลเชษฐกุลเชษฐเป็นบราพผู้เจริญในสกุล ก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในสกุลเหมือนกัมาความาตั้งแต่พี่ขึ้นไปอ่ะตั้งแต่พี่ขึ้นไปถือว่าเป็นเป็นกุลเชษที่คนภายในครอบครัวจะต้องให้ความของรถนักถือแต่นี้ทรงใช้คําว่ากุลบดีหมายความผู้เป็นใหญ่ในสกุลใหญ่ขึ้นไปหน่อยก็ก็กะกุลกักุลเชษก็เหมือนกันนะนะฮะ แต่ว่าเป็นวิธีการที่แตกต่างกันหมายความว่ามาตัวผู้ใหญ่ให้เป็นที่พึ่งความนักของผู้น้อยในกรณีนี้นะแต่ในกรณีกุลเชษ์แต่หมายความเมาผู้น้อยให้ความสําคัญแก่ผู้ใหญ่เราเรียกว่ากุลเชษ์ปรการต่อไปคือศี่งสิ่งก็คือการสํารวมระหวังการงดเว้นการไม่ระเบิด ประกา ร, รกายวาจาของเราให้เป็นปกติแต่ที่จริงมันก็อยู่ที่จิตนะฮะอยู่ที่จิตที่ตั้งใจสมบูรณระวังเกิดขึ้นจากการใช้ศรัทธาก็ได้นะฮะได้ปัญญาก็ได้แต่อย่าลืมว่าจริงๆเราเราใช้ปัญญาพิจารณาวันนี้ยพระพุทธเจ้าสรงบัญญัติไว้เห็นว่าเราพิจารณาแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า แล้วเราก็มีสัมผัสตรงในสิ่งอื่นของพระพุทธเจ้าเยอะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยเพราะการสมาทานสี่งการรักษาสี่งการสำรวจระวังทั้งทั้งทั้งหมดนั้นจริงมีทั้งศรัทธามีปัญญาเราพิจารณาเข็นคุณเล่นโทษของการทุนคุณของการมีศิ่และโทษของการไม่มีสิ่งท่านสาธุนะหลายจะสังเกตว่า เพราะจริงๆเนี่ยชีวิตเราคือกระบวนการของศีลแล้วไม่ใช่มากนะจริงศีลสามข้อสามข้อแรกแต่นั้นเองคือเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของทรัพย์เป็นเรื่องของตระกูลบ่งประเวณีในจริงแปลว่าตระกูลบ่งคือเชื้อสายเขาเรียกว่าประเวณีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างอย่างเนี้ยอย่างพระยาปิมิาเนี่ยท่านท่านมีพระมเหสีเยอะพระยาชาไอ้พระชายาท่านเยอะ แต่ที่จริงเชื้อสายของท่านทั้งนั้นนะทั้งหมดมันเชื้อสายท่านนั้นนะท่านยังแปลว่าเชื้อสายตระกูลวงอย่าไปทําลายตระกูลวงเขาอย่าไปทําลายตระกูลวงเขาเจเน่เี่ยเช่นเช่นเช่นนางกอนางกอเป็นพันญานายขอแล้วก็ไปได้เสียกับนายขออย่างเงี้ยแล้วก็มีมีลูกกับนายขอตระกูลบุงนายก็เสียทําลายตระกูลเขา วันท่านจะเรียกประเวณีเชื่อสายสกุลวงอย่าไปทาลายสกุลวงเชื่อสายเขาก็จบละต่อไปถ้าเราพูดเท็จเราก็ทําลายเขาเห็นไหมทําลายทรัพย์สินของเขาทําลายกุครองของเขาก็แล้วแต่ดื่มสุราก็ไม่ทําลายชีวิตทํำลายทรัพย์ทําลายกุครองมันกลับไปที่เดิมกลับไปที่สามข้อขัน้นบดซีนก็คือการสํารวมระวังการไม่ทมเมิดการงดเว้นจนเป็นอาการปกติ ปกติทางกายทางวาจาทางใจนะฮะที่จริงใจต้อ ง, ต, องต้องปกติด้วยนะที่เจ้าคุณสมเดชประสังรารส่งนิพนธว่าปกติภาพปกติสุขหมายความภาวะปกติของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทําอันตรายธรรมชาติให้สติปัญญาให้เหตุผลให้มันสมองที่มากกว่ามากกว่าสัตว์โลกมาให้คิดเอาจะแก้ปัญหากันยังไง มีกรณีพพาทมีความขัแดแย้งเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงนะะไม่ฆ่านะเธอไม่ได้มีเล็บมีเขี้ยวมีฟันมีเขาอะไรจะมาฆากันแต่ว่ามนุษย์ได้ใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้ไปเนี่ยในทางผิดเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้แก้ที่จิตตัวเองไม่ได้แก้ที่รูปโผ ล, ลงตัวเอง แต่ที่จะใช้สติปัญญาใช้เหตุผลหาข้อยุติการก็ใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงใช้พวกใช้อะไรต่อไรจนมีการเข็นฆ่าประหัรประหารกันมาหยุดเพราะฉินจึงถือว่าให้มาอยู่ในสภาพปกติปกติคนไม่ฆ่ากันปกติคนไม่ลักทรัพย์กันปกติคือธรรมชาติมาให้มาเท่ากันนลยนะให้มาเท่ากันแล้วทําไมเธอจงไปแย่งคนอื่น ทำไมต้องไปทำลายชีวิตทุกคนอื่นทำไมแย่งคู่ครองคนอื่นมันก็ต่างคนน่ะ ก, ก็มีแล้วคนก็มีหนึ่งหัวหนึ่งตัวสองมือสองเท้าเหมืนอ น, น, นกันเนี่ยไปเบียดเบียนกันทำไมบางทีคนถูกปลดในตัวเล็กกว่าโจรสิ่งนี้ก็ตัวก็เล็กขนาดนั้นก็ทำมาหากินได้เธอตัวใหญ่กว่าทำไมไม่ทำาหากินอนะ่ะนั่นก็คือที่จริงก็สอนให้ให้เราได้คิดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลักษณะ อัตตานุบังกัตวาคือทําตนไม่ประมาชิบเคียงแล้วก็เกิดสำรวมระวังงดเว้นไม่ล่วงละเมิดนะเป็นปกติแล้วก็เย็น เ, เป็นชีวิตที่อยู่ในสังคมโดยปกติอยู่ร่วมกันโดยสันติมันก็ต้องอาศัยศีนี้ศีนอาจจะเป็นอาจจะเป็นคำอะไรล่ะอาจจะเป็นคำกล่าว เวลานี้จริงเราเปลี่ยนเป็นเป็นนั้นก็ได้นะจต่ยังเปลี่ยนเป็นสิทธิก็ได้ประชาธิปไตยนะฮเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่ก็ได้เปลี่ยนเป็นสิทธิจะเฉยยางได้เลยนะฮะเปลี่น็นสิทธิจะเฉยยางได้แต่ว่าเอาก็จริงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยยอมรับกติกาประชาธิปไตยทลา่ที่มันยุ่งเนี่นะฮะตอนแต่หลายลองสังเกตว่าเราเรียกร้องสิทธิโดยเราไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่คือไม่ทําหน้าที่ มันมีลักษณะอย่างหนึ่งคล้ายๆกับอกโครนมาล้างโครนนะนะเพราะความคิดแนวเนี้ยคือการออกโครนมาล้างโครนมันไม่ีทางที่จะหายได้ธรรมชาติมันสร้างสิ่งตรงกันข้ามถ้าเธอล้างโครนเธอต้องล้างกับน้าไม่ไปล้างไปล้างกับโครนไม่ได้ล้างกับดินก็ไม่ได้มันต้องล้างกับน้ํามันก็ตรงกันข้าม่ะธรรมชาติมันมีกลองมีสิ่งแก้กันอยู่แล้วตรงนั้นตรงเนี้ยทํำยังไงจึงจะ ให้คนเคารพสิทธิและรู้จักหน้าที่คือทําหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองต่ออะไรต่อต่อสังคมต่อตนนะฮะต่อตนต่อสังคมต่อสกูลวงแล้วก็ต่อภาระหน้าที่หน้าที่ที่รับผิดชอบในะขณะ น, น, นั้นอันนี้มันเยอะแยะนะฮะกนับไม่ไหวแต่สรุปว่าทําอะไรก็ตามอย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่อย่าไป ทำลายสิทธิของคุณสิทธิในแหละก็สิทธิในชีวิตเห็นไหมฮะกลับไปที่เดิมน่ะสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองกลับมาที่เดิเนมนี่แหละสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ก, ก, ก, ก, ก, ก็คือศี่งห้านั่นนะฮะศีลงห้านั่นเองก็ยังนึกถึงวิชาการที่เราสอนในโรงเรียนที่จริงเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งหมดอฮะเพียงแต่เราเข้าใจเราไม่เข้าใจเองม่านั่นคือธรรมะอยู่แล้ว เราก็ว่าของเราไปคล้ายๆกับบางทีการทำมาไม่เกีย่ยงจริงๆวิถีชีวิตมันก็คือธรร ม, มะเพียงแต่ว่าเราจะมองในด้านใดท่านนายลองเรานักเกตมาจะยกตัวอย่างสินข้อปาญหาให้ดูนะสินข้อปานาข้อเดียวเอาเอาข้อเดียวเลยมันเป็นศาสตร์ได้รู้สักกี่สิบศาสตร์แน่นอนตัวร่างกายนั้นเป็นวิยาาทยาศาสตร์มีแพทยศาสตร์มันก็เรียนในร่างกายตรงนั้นเลยนะเห็นไหมศาสตร์ทั้งหลายมันเรียนในร่างกายทั้ง เดียวก็หมอเกี้ยก็เมือมอะไรแต่ไหนถ้าคนงดเว้นการฆ่ากันในแง่สังคมศาสตร์ก็หมายความว่าสังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขในแง่จิตวิทยาคนเข้าถึงจิตวิทยาสังคมไม่เบียบเบียมนมารดสากาศในแง่ของรัฐศาสตร์แสดงการปกครองไดยผนในแง่ของนิติศาสตรแสดงว่าคนเคารพกฎหมายในแง่การศึกษาแสดงว่าการศึกษานั้นสามารถพัฒนามนุษย์ให้อยู่ในจุดที่อยู่ร่วมกันโดยสันติไนดะ้ ในแง่ของศ า, า, าสนาแสดงคนมีศีลธรรมในแง่ของเศรษฐศาสตร์คือการสงืงวนทรัพยากรธรรมชาติคือมนุษย์เอาไวไ้ไม่ไม่ไม่บีบมันมันเป็นทุกศาสตร์อ่ะมันเป็นทุกศาสตร์แหละเพราะจริงๆทั้งหมดมันก็อยู่แล้วในเราเพียงแต่เราไม่ไม่สามารถมองว่าที่เราพูดเดี๋ยวิ่งเป็นเรื่องเดียวกันที่เราถกเถียงที่เราพูดกันคือเรื่องเดียวกัน แต่ว่าผู้กันคนละแง่คนละมุมกลายเป็นตำรับตำราปวดหัวอ่านกนันปวดปวดหัวเลยผูเจ้า ก, ก็สรุปแค่รูปนามแต่นั้นเองไนะพวกนี้แค่แค่รูปนามแต่นั้นเองประการต่อไปคือปัญญานั้นคือสุดยอดนะฮะปัญญาเนี่ยเป็นที่รวมของทุกเรื่องหมว่าอะไรมันรวมี่ปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวแสงสว่างคล้ายๆกับ การเห็นสิ่งถนนน้นทางอะไรเนี่ยลําน้ํากูกร้องว่านับสักกี่แสนกี่โกก็ได้มันสืบเนื่องจากแสงสว่างสืบเนื่องมันจะมีแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างมันก็พี่เห็นเพราสิ่งทั้งหลายปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชนแล้วก็เป็นอุดมชีวิตคือเป็นสุดยอดของชีวิต ปัญญาที่ใช้พินิพิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแสดนว่าก็ทําให้คนเหล่านี้ยเป็นหลักแกมีปัญญาแกไม่นิสัยว่าอะไรควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนะสีนี่ดียังไงควรจะมาพูดปฏิบัติยังไงปฏิบัติศีนั้นไม่ใช่ปฏิบัติแบบงมงายไม่ใช่ปฏิบัติแบบเถนสองบาท นะทำตามกันไปแต่ว่าจะต้องเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของเรื่องเหล่านั้นยาดีเคยบอกท่านทั้งหลายว่ามากําวังรนรงไปตางจังหวัดพยายามพูกระยม ם อยเเวลาแกรักษาศีลและเกเครียดกลับไปบ้านในลูกหลานแตะไม่ได้เลยดุกลัวจะศีลจะขาดกุญยายหลานผู้ชายวิ่งมาเกาะไล่หน่อยเดียวด่าแล้ว ฝักใหญ่เลยไม่ถูกรู้สีนตัวเองจะขาดสีนอะไรขาดขนาดนั้นขาดง่ายเลยมันไม่ใช่สีนชาวบ้านนะสีนพระเนะี่ยมันจะสินชาวบ้านชาวบ้านคือชาวบ้านก็เป็นอาคาระยะวินายวินายของชาวบ้านลูกหลานจับต้องเรียบร้อยห้ามเรื่องเพศเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยนะเขาไม่ได้ห้ามเรื่องอื่นนะฮะ ถ้านักบวชท่นเองจับต้องกายกันไมแต่ทีนี้การจับต้องกายเราต้องมองอีกนะมันไม่ใช่ว่าจับไม่ได้เลยนะฮสมมติเรามาไปเดินแล้วก็มีผู้หญิงตกตกน้ําเนี่ยอาจจมาอุย้ยไม่ได้กลัวอาบัตไม่ต้องช่วยปล่อยก็ตายแหละไม่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใจดําอย่างนั้นหรอกนะให้ช่วยนะให้ช่วยเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะ่ะเขาห้ามแต่ว่าภิกษุมีจิตกําหนัดจับต้องกายหญิงต้องสังขารทีเด็ นะเท่านั้นเองถ้าจับต้องด้วยความไม่ตายตรงสารลูกจะต้องแม่ได้นะฮะจริงจรนะิเลี้ยงดูแม่ก็ได้ก็วินัยก็บัญญัติไว้ตัมมาบัญญัติไว้แต่ว่าเขาไม่ถือปฏิบัติกันตอนนั้นเองไม่ถึงกับไม่ต้องอาบัติแต่ต้องอาบัติเล็กเขาเรียกว่าต้องปฏบัตุกฎแต่ถ้าอย่างช่วยนี่ไม่ไม่ต้องนะอย่างถ้าอย่างช่วยคนตกน้ําอะไรนี่ไม่ต้องก็ก้อนนี้ก็คือวินยัย วินัยกับธรรมะนั้นไม่ใช่ไปขัดแย้งกันวินัยคือวินัยแต่วินัยนั้นจะต้องมีธรรมะอยู่ในความเป็นวินัยนะไม่ใช่ว่าอยู่ร่วมกับผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงหนีผู้ร้ายมาวิ่งอยกขึ้นกุฏิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดประเดีอัตมาต้องอบัติจะทำไงมันไม่ได้มันต้องช่วยแล้วเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นั่นคือศีลกับวินัยจะต้องสอดคล้องกัน ไม่ใช่รักษาศีลแบบงมงายร้เหตุผลจะต้องมีธรรมะอยู่เพราะจริงๆศีลน่นะคือขั้นหนึ่งของธรรมะมันไม่ใช่กระโดดออกไปจากธรรมะถ้าศีลที่ไม่มีธรมธ ร, มธรมเป็นฐานก็แสดงว่าไม่ใช่ศีลแล้วงมงายแล้วเป็นศีล ร, รับประปรมาสแล้วเป็นโมหะและ้วมันไม่ใช่ศีแลแะเพราะการรักษาศีลจึงต้องมีปัญญาเข้ากับคับอะไรศีลขาดอะไรศีลทะลุอะไรศีลด่างอะไรศีลรรพร้อยอะไรกินได้กินไม่ได้ แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้กินอะไรกินนมได้ไหมกินอะไรน้ําอะไรตัวอะไรตัวอะไรน้ําตัวอะไรถามบ่อยที่สุดเลยก็มีเยอะไปแต่ของกินได้เป็นห่วงอะไรกระินหนากินอะไรกินจนป่านี้แล้วหยุดกินใช่ไหงแต่ก็สรุปเรามีปัญญาฆ่ากรรมครับทีนี้เราจะเห็นว่าหลักการวางตัวเนี่ยเราเป็นที่พึ่งของคนในแง่ขงการวางตัว ภายในครอบครัวได้หลักลูกหลานได้หลักพ่อแม่เป็นหลักให้เมื่อวานในวาไปจากสอนหนังสือก็เดินไปไปเจอไปเจอเด็กเด็กมสามนะฮะอารึนาเขา้ามาใเขบวนที่วัดมีพ่อเข้ามาด้วยเขาก็บอกบอกว่านี่ยท่านเคุณหลานนี่ไม่ยอมพูดบอกอะไรก็ไม่ยอมพูดกรมหน้าเลยเอ๊ะมาถามไปพูดทุกกับ พูดทุกคำมาต่อบไปพูดนะลุงนะพูดนะใครถามอะไรก็พูดแล้วก็แสดงความคิดความเห็นออกมาแกก็บอกกับครับครัไม่เห็นว่าอะไร่สภาพมันเป็นยังไงไอ้ทาไมที่เราถามทำไมแกพูดทุกคําอามาว่ามันก็ต้องมีสภาพอะไรที่ที่คล้ายๆกันเด็กไม่มั่นใจทําให้เด็กไม่มั่นใจมันอาจจะเครียดไปหรือเปล่าไปในครอบครัวนี้เคร่งเคียดไปหรือเปล่าจนเด็กเกิดกลัวจนเด็กเกิดขยดไม่มั่นใจ อย่าลืมว่าที่จริงเนี่ยศีลที่เราปฏิบัติถูกต้องมีปัญญาเข้ากับอิทตางครับมันสร้างบรรยากาศอบอุ่นเพราะศีลเนี่ยมันอุ่นนะนะฮะศีลนี่มันอุ่นศีลนมันเย็นศีลบนศีลแปลว่าเย็นก็ได้นะศีลเนี่ยเย็นหมาความเราเย็นกายอาการกายเราไม่มีปัญหาอาการบาดจาเรามีปัญหาเพราะใจบันจิตอย่างน้อยก็ไม่ถึง <oh คิดฆ่าคนน่นะไม่ถึงคิดจะฆ่าคนเพราะเราสำรวมที่ศีลไว้ ไม่ถึงก็หมดกิเลสแต่ว่าความคิดด้วยแรงกิเลสเนี่ยไม่แรงการวางตัวเราเป็นหลักเป็นหลักให้คนอื่นได้ปัญหาของครอบครัวนั้นผู้นำครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาประเทศผู้นำประเทศเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาศาสนาผู้นำศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ผู้นำเนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณฝูงคือตามผู้นา บางทีเราได้ผู้นําคนเดียวที่เป็นหลักให้แก่บ้านเมืองเนี่ยเราพาชาติบ้านมืองมารอดเรามีพ่อขุนรามคําแหงเรามีออพระนเรศวรเรามีพระเจ้าตากสินเรามีเนี่ยเรามีท่านเนี่ยมันก็องค์เดียวมันเป็นหลักให้หลักให้แก่ชาติบ้านเมืองมันนำชาพาพาชาติบ้านเมืองไปได้เพราะงั้นเรื่องผู้นำเนี่ยถือว่าเป็นใหญ่ทีนี้พระเจ้าเริ่มเราจะลืมสังคมเนี่ยมันเริ่มจะครอบครัว สถาบันสังคมก็คือสถาบันครอบครัวที่หลายๆครอบครัวมารวมกันก็เป็นประเทศแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรถ้าสถาบันครอบครัวมีคนเป็นหลักของครอบครัวได้แล้วบ้านเมืองมันก็เหมือนกับ เ, เอากระเบื้องกระเบื้องคัมบาน่ามาปูหรือโฆษณาสินค้าไปก็มาปูก็ปรับมาแต่ละแผนมาเสมอกันปูเท่าไรมันก็ได้นี่คือทรงสอนในลักษณะให้พัฒนาสถาบันครอบครัว โดยให้หัวหน้าครอบครัว เ, เป็นที่พึ่งพำนักของคนภายในครอบครัวลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้ที่บ็ดอิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นที่พึ่งพึ่งพาของคนทั้งหลายได้ก็รับสั่งเป็นภาษาบาลีนะฮะคือยกภาษิา์่ายดัวสำนวนของพระเจ้าได้ว่างไงมั่ง บอกว่าหัวหน้าครอบครัวผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลปัญญาช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องกับตนเจริญด้วยทำสามประการนั้นตามไปด้วยแล้วก็รับสั่งเป็นพุทธภาสิตเมื่อต้นไม้ใหญ่ๆได้อาศัยภูเขาหินในป่าสูงย่อมเจริญแม้ฉันใดบุตรธิดาภูกพองเพื่อนมูญาตและบ่าวไพร่ได้อาศัยกุลบดีบุคคล คือบุคคลผู้เป็นใหญ่ในตระกูลในบ้านน่ยนะฮะเอาตั้งแต่บ้านไปะผู้เป็นใหญ่ตั้งแต่ในในบ้านไปเรียกว่าถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขะหบดีขะหะปตานีเหมือนกันนะฮะผู้เป็นใหญ่ในบ้านผู้หญิงผู้ชายนะผู้เป็นใหญ่ในบ้านนะผู้หญิงผู้ชายก็คุณระบดีประเภทไหนประเภทที่เป็นผู้มีศรัทธา มีศีลมีปัญญาถ้าเราได้หลักตรงนี้ภายในครอบครัวมีคนที่เป็นหลักให้ตรงนี้ใครจะเป็นหลักก่อนก็ได้สักคนหนึ่งนะฮะจับหลักให้ได้สักคนหนึ่งมันก็สามารถที่จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันได้เช่นขวายหนึ่งแรงมาขวายหนึ่งก็ใช้อะไรตรงนี้ใช้ปัญญาใช้ศีลใช้อะไรเข้าก็กากับแล้วค่อยๆแก้หมายความว่ายืน เป็นหลักให้แก่ตัวเองกัได้แต่ก่อนตัวเองเป็นหลักให้ได้แต่ก่อนแล้วก็ค่อยแก้คนอื่นถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ในขณะที่เรามีปัญญาถ้าเราไม่มีศีลเรากแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าปัญญาอาจจะเป็นมิจฉาปัญญาก็ได้คือใช้ในทางที่ผิดก็ได้แต่ว่าในการในกระบวนการการทำงานการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีความเชื่อเป็นฐาน เรื่องบางเรื่องเราสัมผัสไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยเรื่องสัมผัสไม่ได้เราต้องอาศัยความเชื่อเขาเสริมความเชื่อเข้าเหมือนเชื่อในวัตถุในบุคคลในเรื่องที่ควรเชื่อเพราะงั้นธรรมะทั้งสามการนี้ที่จริงเป็นเรื่องอิงอาศัยกันเล่น ก, กันสามารถแยกได้อีกเยอะนะฮะสามารถแยกได้เยอะปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจวันกรไ ป, ปรวมพวกระดับบริหารนะฮะปุกครูบาอาจารนยะ์น่ยพูดเก่งเกิดมากิมามา สรุปสรุปบริหารตนไปเพียงสองข้อนะสามข้อแล้วขยายมาเหลือสรุปมาเหลือข้อเดียวคือซื่อสัตย์รับผิดชอบตรงต่อเวลาปัญหาใหญ่ปัญหาปัญหาใหญ่ของสังคมไทยทีนี้เราเราทำไมจะต้องสามข้อล่ะถ้าเรารับผิดชอบก็คือเราซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์แสดงเราไม่รับผิดชอบทีนี้คนที่รับผิดชอบเนี่ย รับผิดชอบในเวลาด้วยเห็นไหม ร, รับรับเจดชอบเอพาะในเวลาในภารกิจในกฎเกณฑ์นั่นแหะมันหมดละใช้คําคําเดียวคือคํารับผิดชอบก็ได้ใช้คําว่าซื่อสัตย์ก็ได้ถ้าคําเดียวแล้วว่ามันก็อบรมนานะสามชั่วโมงพูเนี่ยนะมันมีชั่วโงพักก็มีอาจารย์มาบอกว่าขอให้ท่านช่วยเสริมสติสัมปชัญญะด้วยบอกนี่นี่คุณไม่เข้าใจไอ้นี่รับผิดชอบเลยคนมีสติสัมปชัญญะจึงรับผิดชอบได้ เขาไม่พูดเขาไม่ไปนับมากอย่างนั้นแหะไม่ต้องนับมากท่านต่างหลายจะเห็นว่าธรรมะในเหมือนกับเราลุกขึ้นเดินนะฮะลุกขึ้นเดินเราลนั่งเนี่ยเราลุกขึ้นเดินปั๊บเนี่ยประสาททุกส่วนมันทํางานหมดยิงอาศัยกันกันทํางานหมดทั้งตัวเราเลยไม่มีอะไรนิ่งฮะเราจะ เ, าเห็นว่าเส้นกระตุกนี่เดียวเร า, เร า, เ, ราเราลุกขึ้นไม่ได้แล้วแต่ที่เราลุกขึ้นได้เพราะว่าประสาททุกส่วนเขาทางานช่วยกันธรรมะจะมีลักษณะอย่างนี้เขาไม่พูดหรอก พูดมากข้อมันน่ากลัวที่จริงตรงนี้กิเลสมันก็หมดฮะโลคโลกรธลมันก็ลดลงไปเขาไม่พูดแล้วตรงเนี้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะมีความอดทนมีอะไรเยอะตามมาเองโดยไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนับเอาธรรมะหลักขึ้นมาพูดบางทีพูดศีข้อเดียวก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่าลืมว่าการจะมีศีนั้นต้องมีศรัทธาในเรื่องสี แล้วต้องมีพิ จ, จารณาพิจารณาเห็นคุณโทษของเรื่องศีลแต่ตอนนั้นพระเจ้าไม่เอาปัญญาแต่ธรรมพูดเฉพาะศีลก็เดียเพื่อคนรู้สึกไม่คหนักอะไรเป็นอุบายในการเทศในการสอนเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติมันขึ้นมาเยอะเลยนะต้องเข้ามาช่วยหนุนโดยธรรมชาติเพราะธรรมะที่จริงก็อยู่ในตัวเราแล้วนะอยู่ในตัวเราแล้วแล้วการปฏิบัติของเราก็โดยธรรมชาติ เป็นเป็นเป็นการค่อยปรับกันท่านทั้หลายลองสังเกตว่าเด็กเนี่ยฮแกแยกทิศทางเสียงไม่เจอนะเมื่อก่อนเรียกอย่างแกก็หาไม่เจอหาเสียงไม่เจอแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆปรับเรื่อยจนจําทิศทางเสียงได้เก็บสะสมเสียงไว้เยอะๆจาเสียงคนได้จำอะไรแต่ก็ ก, ก, ก็คือมนเริ่มมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่สะสมมาที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเยอะมันเป็นประสบการณ์จากอดีตนะฮะ ที่เก็บไว้แต่ว่ามันสะสมจนกลายเป็นอัตโนมัติได้แต่เรามานั่งดูไว้ตรงเนี้ยที่จริงมันมีอะไรอยู่บ้างเราจะเห็นเป็นกระบวนการเดียวไปหมดเลยทีนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็รับสั่งว่าส่วนเหล่านั้นผู้ที่มีสติปัญญาเห็นอยู่ซึ่งศีลการบริจาคและสุจริตของกุลบุรีบุคคลนั้นย่อมประพฤติตามหมายความว่าทรงสอนให้คนหนึ่งเป็นหลักไว้ก่อน แล้วเขาเห็นเขเห็นความดีเป็นอากาศเป็นอาการเป็นอาการของศรัทธาเป็นอาการของศีลเป็นอาการของตรงนี้ตรงพูดถึงการบริจาคนะการ บ, บริจาค ก, ก็ที่จริงมันเกิดมาจากเกิดมาจากศรัทธาเกิดมาจากศรัทธาแล้วเราก็เสียสละเกิดมาจากปัญญาพิจารณาแล้วเราก็บริจาคเห็นแล้วมันประทับใจตรงนี้เป็นลักษณะของการอะไรละ่ะคบบัณฑิตนะฮะแนวคบบัณฑิต ก็บันดิตพาบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแนวสาธุนธรรมคือแนวที่ส่งสอนว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วแนวกติไทยก็คือเดินตามหลังผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ให้เป็นหลักเอาไว้ผู้ใหญ่เป็นหลักเอาไว้รักษาศีลในเด็กดูมีแสดงศรัทธาให้เด็กเขาดูใช้ปัญญาให้เด็กเขาดูให้เด็กเขาชื่นชมเกิดศรัทธาเรื่องอะไร แาจารี้เคยยกตัวอย่างว่ามันเป็นรู้สึกจะเป็นหลงพ่อะนะพุทธทาตนะพุ้ธิคมมาว่าพุทธยคมท่านบอกว่าเออสอนให้รู้ทําให้ดูอันนี้คือทําให้ดูทําให้ดูจนเป็นปกติคืออยู่ให้เห็นเลยคนเนี้ยท่านไปนอย่าเนี้ยอยู่ให้เห็นมันมันมันประทับใจท่านเป็นอย่างนี้ เป็นอะไรเป็นเป็นผู้สม่ำเสมอในบุคคลที่ไม่สม่ำเสมอพระอาหารหันต์นั้นเรียกว่าตาชีหรือคงชีพุ้ยเจ้านี่เรียกว่าตาชีหรือคงชีเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยเจ้าตั้งไปนนนเลยตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงวันนี้ผ่านเหมือนเดิมทุกอย่างเทศเหมือนกันสอนเหมือนกันไม่เคยผิดไม่เคยค้านกันเองตลอดตาชีก็เรียกคงชีเป็นอจจรูไม่หวั่นไหวด้วยนะไม่จะแขวงไปแกว่งมาแขวงมาแขวงไปดีใจไม่ได้ ผู้ใหญ่ต้องเป็นหลักให้ต้องเป็นหลักให้แก่ครอบครัวแล้วถ้าเราจะอบรมสั่งสอนลูกให้เนี่ยตั่งสอนลูกเนี่ยลูกก็จะยอมรับจะเข้าใจเพราะสิ่งที่พ่อสอนนั้นคือสิ่งที่พ่อทำทำไมพุทธเจ้าถึงสอนได้พระพุทธเจ้ายถาวาดีสถาการีสถาวาดียถาการีทำายังไงทรงสอนอย่า ง, งนั้นสอนอย่างไงก็ทรงทาอย่างนั้น เพราะงั้นมันมั น, ม, นมันกลายเป็นแบบเป็นแบบที่ปเป็นอย่างเงี้ยไปจ้ะมันมันกลายเป็นการสร้างบรรยากาศเห็นไหมนานๆเข้ากลายเป็นบรรยากาศไม่ได้นะส่งเสียง ด, ง, ดนะสงดังไม่ได้นะพ่อสงบอย่าในสํานักในพุทธสํานักมีพระส่งเสียงดังไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ดังพระเจ้าไม่ดังพระเจ้าสงบเราเข้าใกล้พูะเจ้าหยาหยาหยา ขนาดไอยังไม่กล้าไอนะต้องพยายามอั้นเอาไว้จะไอจะจามจะอะไรเนี่ยต้องพยายามอั้นเอาไว้นั่นคือกลายเป็นบรรยากาศเราข้าไปตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ข้าวตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะท่านอยู่ของท่านยังไง น, นั่นคือหลักคือสร้างสร้างหลักแล้วทรงเล้นไปที่ตัวธรรมะสามข้อแต่นั้นเองนะหมายความว่าเราเป็นแบบให้คนอื่นเขาเข า, เขาเดินตาม แล้วก็รับสั่งว่าชนผู้ใคร่กามเหล่านั้นใคร่กามหมายความมาสำนวนในอย่างหนึ่งตรงเรียกวากามมาโพกีคือคนที่ยังบริโภคกามยังมีครอบครัว ม, มีลูกมีตามีบ้านมีเรือเนี่ยไ ม, ไม่ได้พูดไม่ได้พูดนั้นนั่นอะไรเพราะฉะนั้นคุณใหญ่เนาะศรัทธาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ระดับนิพพานศีลก็ไม่ใช่ระดับศีล <c oughs> เลระ น, นิปุติงยินติเป็นศีลที่ปกติต่นนั้นเองปัญญาก็ไม่ใช่ระดับที่จะขจัดกิเลสหมดแต่เป็นปัญญาระดับที่คุม คุมพฤติกรรมตัวเองให้สามารถสะท้อนอาการพระศรัทธาของศีลของปัญญาให้เด็กแก่กเห็นนะใ ห, ให้ให้คนที่เกี่ยวข้องอะไรล่จงจงยกตัวอย่างอะไรละ่ะบุตรธิดาพูกพ้องเพื่อนหมู่ญาติและบารไพ่ก็ไม่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเรียกยังไงก็ได้ตัวอย่างเหล่านี้พระเจ้าพูดจากกลุ่มบุคคลในสถาบันครอบครัวสมัยนั้นนะนะฮะสมัยนี้มันอาจจะมีามากกว่านั้นก็ได้ ผู้ใคล้ากามเหล่านั้นคขั้นประพฤติ ธ, ธรรมคขั้นประพฤติธรรมอันเป็นทางแห่งสุคติในโลกนี้แล้วมายความว่รับความสุขความสงบในโลกนี้แต่ท่านจะทั้งหลายอย่าลืมนะตรงนี้เป็นบุญนะฮะตรงนี้เป็นบุญทั้งหมดเลยทั้งทานทั้งศรัทธาทั้งทา น, ท, ท, านทั้งสีเนี่ยมาเป็นบุญเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณเดพพัฒนาจิตวิญญาณในกิเลสมันลดน้อยถอยบาบางลง เราประสบสุขในปัจจุบันแต่ว่ามันไม่หมดหรอกมันผลผลมันเยอะเลยเกิดน ะ, ะตอนผลยกยอดเป็นยอดยกมานะขึ้นหน้าบัญชีต่อไปยอดยกมาก็คือก็รับรับสังวันลาโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้มีความยินดีบันเทิงอยู่ในเทวโลกลาโลกนี้ไปแล้วก็จะมีความยินดีคือตายไปอย่างเนี้ยนฮะอส ม, มุลโหกาลังกโรติ ไม่หลงทมกาลกิริยาตายกายะสะเพดาปนามนาสุกติงสังกังโลกังวจิเบื้องหน้าแต่ตายประกายแตกจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์อย่างนี้ทุกทีเลยนะเพีองแต่ว่าจะพูดมาห ร, หรือไม่พูดมาอันนี้ก็แสดงสองทางหมายความว่าให้อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันครอบครัวสร้างสถาบันครอบครัวเป็นบ้านเป็นสวรรค์วิมานพ่อแม่เป็นหลักให้แก่ลูก เป็นหลักให้แก่เพื่อนฝูงวงศาคณาญาติแล้วอย่าลืมมันมีตะบะเดชะนะคนที่เป็นอย่างนี้พูดจาอะไรต่อไรเนี่ยวงศาคณาญาติก็เชื่อเป็นหลักพูดเป็นหลักได้ท่านท่านท่านท่านผู้นี้พูดแล้วก็ต้องต้องฟังแหละเดี๋ท่านมันมีหลักมันมีที่ไปที่มาแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ายัางแนวต่างๆนี้เยอะมันยก ยตัวอย่างให L ้ฟังอย่างเนี้ยอย่างอย่างทำมิกะอุปัสุนีถ้าก็เป็นหลักในนี้ถ้าก็มีศรัทธามีศีลมีปัญญาลูกหลานนี่ไปหมดเลยทั้งครอบครัวนี่ไปหมดเรามามองกลับไปที่ส ก, กุลครอบครัวพระพุทธเจ้านะแต่เห็นว่าครอบครัวพระเจ้านี่เกรี้ยงเลยเป็นพระหันหมดทั้งครอบครัวเลยครอบครัวประสานบุตรเป็นพระหันหมดนอกจากแม่คนเดียวที่เป็นพระโสดาบันเป็นหมด เพราะตัวหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักพ่อของพระยาศักครอบครัวพระยาศัพ่อของพระยาศักเป็นหลักที่จริงพระยศักเป็นหลักนะฮะพระยาศัเป็นหลักพระยาศักดิก่อนครอบครัวพระยศักเป็นพระยบุคคลโสดาบันหมดเห็นไหมพ่อหรือแม่ตามกันแล้วแต่ใครใคจะนําก่อนนะพ่อหรือแม่ก็ตามนะจะเป็นผู้นํำยังครอบครัวนางวิสาขานี่แม่นําฮะแม่นําก่อนแม่นาแล้วก็ เปียนพ่อจากมิจฉาทิฐิเป็นสมมาทิฐิแล้วก็ลูกก็เป็นคนดีหมดทั้งครอบครัวก็สรุปว่าอุลระ บ, บดีบุคคลพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้หญิงชายนะฮะไม่ได้ใช้ผู้หญิงผู้ชายได้คำว่าบุคคลที่เป็นใหญ่ในตระกูลนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะพุทธเจ้าจะใช้คําคู่คํานี้จึงเป็นคากลางๆถ้าว่าจะจะแยก กหบดีกะหบตานีนะกะหบดีกะหบตานีกะหบดีก็คือผู้ชายกะหบตานีก็คือผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เป็นหญิงผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เป็นชายเหมือนกันนะนะฮะความหมายเหมือนกันตรงนี้เป็นคํารวมเป็นคํารวมที่ที่ใช้ใช้คำว่าบุคคลเนี่ยหมายความมารวมไม่ได้เจาะจงใครอย่างที่ประรบท่านท่านท่นทมมานธรรมเอธรรมิกาสบสุกก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ ตอนก่อนจะตายเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมนิมิตาลงคตินิมิตาลงคตินีิปรากฏเป็นรูปเทวดาเทวดามาเชิญไปบังเกิดในสุกติมาทั้ง6สวรรค์เลยรหกชั้นเลยแต่ว่าท่านเห็นเฉพาะคนเดียวนะคนอื่นก็ไม่เห็นพวกนั้นก็เชิญด้วยแย่งกันนะฮะแย่งกันจะเอาไปโน่นจะเอาไปสวรรค์โดยเอยงท่านบอกหยุดก่อนอยู่ก่อนตอนนั้นพระก็มังสวดสติปัฏฐานอยู่พระนึนกว่าบอกให้พระหยุดพระก็กลับวัดเลย ท่านป่ดเสียงหายเราก็หันมาดูเอาพระกลับไปแล้วสอบถามเราก็รูว่านึกว่าพ่อในบนกลับแต่บ อ, อกไม่ได้เพราะพูดกับเทวดาเสร็จแล้วท่านก็เอาพวกมาไล่ในโยนอธิษฐานบนอากาศเราจะไปสวรรค์เช่นไหนลูกก็ตกลงมาให้พ่อไปสวรรค์ดุสิตกันทามิกากรโยนขึ้นไปก็พวกมาไล่ก็รออยู่บนอากาศจริงๆก็ไม่รอเดี๋ยวเขาว่าเกี่ยวที่รถขึ้นมาจากสวรรค์ดุสิตรถชิปนะฮะเลยไม่เห็นเหมือนกัน แล้วท่านก็บังเกิดในสุกติคราวนีพ้พระเจ้าปรารบท่านแล้วก็บอกว่าบุคคลผู้ทําบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงกัโลกย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นบุญที่ตนได้กระทอาออกไว้เราจะเห็นว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งอาศัยและคนมีบุญก็เป็นที่พึ่งอาศัยทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้ามาปัจจุันนี้ก็ขอยุติไว้โดยด่าวิกตอรี ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ